ช่ธรรมก็เสื่อมบรรยายเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2543ขอจเจริญพรจุ่มบัณฑิตอาสาสมัครทุกท่านวันนี้สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ทั้งท่านผู้อำนวยการปัจจุบันท่านผู้อำนวยการในอดีตได้มาเป็นประธานในการจัดพิธีทาบุญบเพื่เพ็นกุศลอุทิตแก่ท่านอาจารย์ป่วยในโอกาสครบวันเกิดของท่านซึ่งแม้จะผ่านไปได้สามวันคือวันที่เก้ามีนาคมแต่ก็ได้มาจัดในวันนี้เพราะ เหตุผลในเรื่องของความสะดวกให้ได้วันหยุดธิว อ, อาทิตย์ก็มีสาระมีจุดมุ่งหมายโดยสมบูรณ์ก็แสดงออกซึ่งน้ำใจของทุกท่านและวันนี้อาจารย์จอนอึ้งภากรก็ได้มาร่วมพิธีด้วยก็ทำให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การพอเป็นกุศลอย่างนี้เราทําบุญบอกว่าเป็นวันเกิดของท่านแต่ว่าท่านล่วงลับไปแล้วก็หมายความว่าถ้าท่านอยู่วันนี้ก็เป็นวันครบหรือคล้ายวันเกิดของท่านการที่ผู้อยู่มาทําบุญให้ท่านผู้ล่วงลับก็แสดงว่าต้องมีน้ําใจคิดถึงจริงๆที่ว่าคิดถึงเนี่ย ก็ประกอบด้วยความเคารพนับถือและความรักแล้วก็มีความบูชาเคารพก็จึงทำให้เราให้ความสำคัญแก่ท่านรักก็ทำให้มีความผูกพันติดตรึงอยู่ในใจมีความซาบซึ้งบูชาก็แสดงออกมาเป็นการยกย่องเชิดชูวันนี้ก็ได้แสดงออกครบหมด แม้ท่านจะล่วงลับจากไปลูกศิษย์ผู้ที่เคารพรักนับถือบูชาก็ยังมีความรู้สึ ก, กผูกพันต่อท่านอยู่เมื่อถึงวันที่เกี่ยวกับท่านก็มาแสดงออกคืออยู่นิ่งไม่ได้ต้องแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นการ ประกาศถึงคุณความดีทั้งสองฝ่ายคือผู้รองรับไปก็ต้องมีความดีจึงทําให้ผู้อยู่เนี่ยต้องขนขวายจัดทำํำพิธีการอะไรต่างๆก็คือเป็นการแสดงออกอันนี้สําหรับผู้ที่อยู่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นการประกาศว่าผู้ที่อยู่เนี่ยก็เป็นผู้มีคุณธรรมมีความดี จึงได้ไม่มองข้ามความดีของท่านผู้ที่ได้ทำความดีไว้ให้การแสดงออกอย่างนี้ก็จึงเรียกเป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งว่ากตันยูกะตเวทิตาแต่ววันนี้ก็เลยได้ความหมายเพิ่มอีกเคารพรักบูชาแล้วก็กตันยูกะตเวทิตาในตรอบการบูชาเนี่ยคราวที่แล้ว ทางกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครก็ได้มาทำบุญเมื่อร้อยวันที่ท่านจากไปก็เป็นการที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พูดอธิบายไว้ในคราวนั้นว่าเรียกว่าปูชาจะปูชนียา น, นังการบูชาคนที่ควรบูชาหรือว่าการยกย่องเชิดชูปูชนียชนเป็นมงคลอันอุนดม นี่ก็เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาซึ่งได้เน้นไว้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับยุคนี้ที่คนจะต้องยกยอกเชิดชูคนดีถ้าไม่ฉะนั้นแล้วสังคมก็จะเสื่อมลงไปทุกทีเราก็มีการพูดเหมือนกับร้องทุกข์กันบ้างหรือว่ามาปรับทุกข์กันว่าเวลานี้สังคมนี้ไปบูชา อะไรอื่นที่ไม่ใช่บูชาธรรมไม่ใช่บูชาความดีไม่บูชาคนดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าความเสื่อมได้เกิดขึ้นแล้วถ้าสังคมดีก็เห็นได้ชัดก็ต้องบูชาคนดียกย่องคนดีให้ความสําคัญกับคนดีเมื่อสังคมนั้นไปให้ความสําคัญอย่างอื่นบูชายกย่องเชิดชูสิ่งอื่นมันก็ประกาศอยู่ในตัวแล้วว่าสังคมนั้นได้เขย อ, ออกไปจากธรรมะ จากหลักที่ถูกต้องนั่นก็ภาพที่ปรากฏมันเป็นเครื่องฟ้องในตัวว่าสังคมเป็นอย่างไรนั้นเราพูดได้เลยว่าดูว่าสังคมนั้นอยู่ในภาวะที่ดีงามหรือไม่ก็ดูไม่ยากดูที่ว่าสังคมนั้นยังยกย่องเชิดชูคนดีหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ว่าซึ่งมีความสำคัญ ที่อาจารย์ป่วยท่านมีคุณธรรมมีความดีอะไรต่างๆหลายอย่างหลายประการเช่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นก็ขอว่าผ่านไปพราะวนก่อนที่ได้พูดเยอะแล้วเรื่องนี้อันนี้นอกจากท่านมีคุณธรรมมีความดีซึ่งสมควรกับการยกย่องหรือเรียกว่าสมควรกับการบูชาแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าท่านยัง แสดงออกนำเอาธรรมะนำเอาคุณธรรมเนี่ยมาเน้นในสังคมคืออยากจะให้คนทั้งหลายในสังคมเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเรื่องของคุณงามความดีต่างๆคือท่านเห็นความของธรรมเห็นความสำคัญของธรรมะนอกจากประพฤติปฏิบัติเองแล้ว ก็พยายามชี้แจงอธิบายชักชวนว่าให้ช่วยกันให้ความสำคัญแก่ธรรมะและช่วยกันประพฤติธรรมเพื่อให้สังคมของเราดีดั mm hmm. ะนั้นในข้อเขียนคำอธิบายและคำพูดต่างๆของท่านนี้จึงมีธรรมะบ่อยๆและ่ทัตมานํามาพูดคราวที่แล้วก็ได้เล่าไปแล้วว่าที่จำอาจารย์ป่๋ยได้ก็เพราะว่าไปเห็นข้อธรรมะที่ท่านพูดในหนังสือของท่าน แล้วก็ได้ยินว่านอกจากในข้อเขียนเนี่ยซึ่งก็มาจากที่ท่านพูดนั่นแหละที่ท่านพูดทั่วไปท่านก็พูดธรรมะอยู่เลยเสมอนับว่าเป็นข้อสังเกตว่าบุคคลผู้ใหญ่ที่เป็นหลักให้แก่สังคมเอาใจใส่สนใจเรื่องธรรมะถ้าหากว่าผู้ใหญ่ในสังคมคงเหล่านี้เห็นความสำคัญของธรรมะ นำมาพูดจานำมาชักชวนกันให้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่ว่าจะช่วยให้สังคมเนี่ยจเจริญ ง, งอกงามในความดีได้แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกคือเมื่อได้มองดูเรื่องนี้อาตมาก็ตั้งข้อสังเกตว่าในสังคมของเราเวลานี้ แม้แต่ในระดับของการบริหารการปกครองอะไรต่างๆก็มีการพูดถึงธรรมะนิดน้อยบางทีนอกจากน้อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากพูดถึงหรือว่าอายที่จะพูดหรืออาจจะกลายเป็นว่า มองในเชิงความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าใครมาพูดถึงธรรมะด้วยถ้าอย่างนี้ก็น่ากลัวอย่างนี้แล้วจะไปถึงลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมเทศสีคำว่าธรรมเทศีแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชังธรรมว่าแล้วก็จะมีคำต่อไปบอกว่าธรรมเทศีปรพาพโวผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ก็ตรงข้ามกับว่าธรรมกาโมผวังโหติผู้ใคร่ธรรมหรือผู้รักธรรมผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญไม่ใช่เจริญก้าวหน้าหรอกแต่หมายถึงลักษณะบุคคลหรือว่าตัวบุคคล น, นั้นเป็นผู้เจริญเช่นที่เราเรียกว่าเป็นอาริยชนหรือไม่ก็ดูว่าเขาเป็นผู้รักธรรมหรือเป็นผู้ชังธรรมถ้าเป็นผู้รักธรรมก็แสดงว่าเป็นคนเจริญ ถ้าเป็นคนผู้ชังธรรมก็เป็นคนเสื่อมอันนี้ในสังคมของเรานีเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตอย่างที่กล่าวมาแล้วความจริงก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแต่ว่าถ้าเทียบแล้วก็ค่อนข้างน้อยในปัจจุบันแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังในหลวงเองก็ตัดถึงธรรมะบ่อยๆและตัดมากทีเดียวเลย อ้าแล้วมาดูอาจารย์ป่วยท่านก็พูดถึงธรรมะบ่อยท่านไม่รู้สึกอายแต่ท่านเอามาเน้นเอามาย้ำถือเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าทําไมจึงไม่ค่อยเดินตามกันไม่เดินตามท่านผู้ใหญ่ในเรื่องนี้นอาจจะไปเดินตามเรื่องอื่นบ้างหรือเพียงแต่ว่าอาจจะมายกย่องกันแต่ว่า การที่จะปฏิบัติตามจริงๆก็จะดูได้เช่นอย่างเนี้ยถ้าท่านเห็นความสําคัญของธรรมะเราปฏิบัติตามเราก็ต้องเห็นความสําคัญของธรรมะด้วยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ว่าท่านผู้ใหญ่บางท่านท่านเอาใจใส่ให้ความสําคัญกับธรรมะนำมาพูดบ่อยๆแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ค่อย จะดำเนินตามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างอาจารย์ป่วยเนี่ยที่ท่านพูดท่านเขียนเรื่องธรรมะไว้มากเนี่ยเวลาคนทั่วไปพูดถึงท่านเน่กลับไปพูดจะในแง่อื่นแง่ที่ท่านพูดให้ความสำคัญเรื่องธรรมะเนี่ยมองข้ามไปซะอีกก็เป็นจุดสังเกตสองจุดเลยนะ คือหนึ่งก็คือว่าท่านให้ความสำคัญท่านบูดถึงยามเตือนบ่อยๆแต่เราก็ไม่เอาด้วยไม่ตามแล้วก็สองก็คือในจุดที่ท่านทำเรื่องอย่างนี้ก็กลับไม่ยกขึ้นมาพูดกันนั่นน่าจะได้เน้นในข้อนี้ให้มากอย่าง ผู้ที่จเจ้าจริงในเรื่องนี้ก็อาจาจะดูว่าอาจารย์โผยนี่พูดถึงหลักธรรมเรื่องอะไรบางท่านเห็นความสําคัญธรรมะข้อนไหนหรือว่าท่านยึดถือหลักธรรมอะไรเป็นสำคัญประจําใจของท่านเลยนะีที่ท่านมีชีวิตอย่างเนี้ยนะการที่ท่านดํารงอยู่ในคุณธรรมความดีเป็นที่น่ายกย่องที่เคารพเนี่ยท่านคงต้องมีหลักธรรมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจหรือถือเป็นหลักประจําใจ ก็เป็นข้อที่ยกมาเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนนี้ถ้าหากว่าสังคมของเราเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับธรรมะก็หมายความว่าเราเห็นว่าธรรมะคุณความดีเป็นเรื่องสําคัญเมื่อเป็นเรื่องสําคัญเราก็พยายามที่จะให้ธรรมานี้ ได้รับการยึดถือปฏิบัติเราก็มีความเอาใจใส่เราก็เพียพรพยายามในที่จะให้สังคมเนี้ยตั้งอยู่ในคุณธ ร, รมในความดีต่างๆเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมกามูเป็นผู้รักธรรมก็เป็นเครื่องหมายของคนเจริญไม่ใช่เป็นธรรมเทศสีปราพโวผู้ชังธรรมเป็นคนเสื่อมได้ยินเรื่องธรรมแล้วอยากจะหนีไปนีย หรือว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกต่อคนที่พูดในทางที่ไม่ค่อยจะน่าสบายใจนถ้าอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมเทศสิอย่างที่ว่าธรรมะเป็นหลักที่ดารงสังคมให้อยู่ได้ธรรมะคืออะไรก็คือความจริงความถูกต้องความดีความงาม ถ้าเราไม่เอาความจริงความถูกต้องความดีงามแล้วแล้วมันจะเจริญได้อย่างไรนะแล้วสังคมจะอยู่ดีได้อย่างไรสังคมจะร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรนั้นเราไม่เอาใจใส่ธรรมะไม่เอาใจใส่ความจริงความถูกต้องความดีงามก็เราก็ไปเอาอย่างอื่นเราอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความจริงความถูกต้องความดีงามเรายอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เป็นเท็จความหลอกลวงเรานิยมแล้วเราก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องแก้ไขอะไรถ้าอย่างนี้มันก็เป็นกรรมของสังคมนั่นเองก็คือว่าสังคมนั้นร่วมกันทำกรรมนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้สังคมดีแน่นอนเลยเราจะต้องรักธรรมรักความจริงรักความถูกต้อง รักความดีงามและพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ตัวเราก็พยายามปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะขนขวายให้สังคมเนี่ยเชิดชูดำรงรักษาธรรมะความจริงความถูกต้องความดีงามนี้ไว้ให้ได้อย่างพระนี่เวลาพูดจาสนทนาปราศัยกัน มานั่งกันคุยกันนี่ถ้าพูดเป็นเรื่องนอกเรื่องเอาอะไรแต่ อ, อะไรพูดพอให้สนุกสนา น, นตื่นเต้นเหลวไหลเละเทอะเรียกว่าติละฉานกถาติละฉานกถาก็แปลว่าพูดสิ่งที่เป็นดิละฉานแต่ขอภัยดิละฉานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นสัตว์ดิละฉาน แปลว่าขวางสำหรับพระก็เรียกว่าขวางทางนิพพานถ้อยคำที่พูดเนี่ยขวางทางนิพพานไม่นําไปสู่ความเจริญก้าวหน้างอกงามนี่ถ้าหากว่าเราพูดเป็นสิ่งที่ดีงามก็เป็นกถาที่เป็นธรรมนระคถาที่เป็นธรรมก็ คำพูดที่เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลนการช่วยกันค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้พูดจากันคือถ้าหากว่ามุ่งพูดในเรื่องอย่างนี้กันอยู่แล้วเดี๋ยวธรรมะมาเองราะธรรมะนั้นความจริงความถูกต้องดีงามเมื่อคนมีใจมุ่งหมายพยายามที่จะหาความจริงความถูกต้องดีงามธรรมะก็มา น, นั้นการพูดจาก็เป็นเรื่องแสดงถึงจิตใจมีคำบาลีบอกว่าหัทยสสะสทิสีวาจาวาจาเช่นเดียวกับใจวาจาสอดแสดงถึงจิตใจนี่การพูดจา ก, กันก็เป็นการแสดงออกที่เกิดจากเจตนาเรามีความคิด มีความมุ่งหมายอะไรแต่อะไรมันก็ออกมาตามนั้นน <Yeah. S 1> ถ้าไปพยายามเสแสร้งก็เป็นการซ้อนเจตนาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่รวมแล้วก็คือว่าต้องพยายามพูดด้วยเจตนาที่จะเชิดชูธรรมะเชิดชูความจริงความถูกต้องดีงามเพื่อให้สังคมเนี่ย เพื่อให้คนทั้งหลายหมู่มนุษย์เนี่ยได้ดำรงอยู่ในความดีมีคาถาพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งบอกว่าเนสาสภายัตทะนสันติสันโตแปลว่าที่ใดไม่มีสัพบรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาถ้าไม่มีสัพบรุษแล้วที่นั้นเป็นสภาไม่ได้ ทีนี้สับบุรุษหรือสัตบุรุษเนี่ยก็เป็นคำที่เป็นไวยพจน์คือคำที่มีความหมายใช้แทนกันได้คาว่าบัณฑิตและก็คำว่าอารยชนคำเหล่านี้ใช้แทนกันได้สับบุรุษบัณฑิตอารยชนก็หมายความในที่ใดไม่มีสับบุรุษไม่มีบัณฑิตที่แท้ไม่มีอารยชนเท่นั้นไม่ชื่อว่าสภาทีนี้สับุรุษ ก็มีอีกมีคุณสมบัติมีคุณธรรมความดียังหราบ้าง้าเกวสตรบริสุธธรรมธรรมะของสัตว์บรุษมีหลายหมวดหมวดหนึ่งมีเจ็ดข้อหมวดนี้รู้จักกันมากสับริสุธธรรมเจ็ประการมีอะไรบ้างเรามักจะท่องกันเป็นภาษาไทยว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จัก การรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลเนี่ยเจ็ดข้อเอาว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้บางท่านอาจจะชอบไว้ทวนกันหน่อยหนึ่งธรรมัญญุตาเราแปลก็ว่ารู้จักเหตุสองอรฐานญุตารู้จักผลสมอัตัญญุตารู้จักตนสี่มัตตัญญุตารู้จักประมาณหการัญญุตารู้จักการเวลาหก บริสันยุตารู้จักชุมชนแล้วก็เจ็ดบุคลัญยุตารู้จักบุคคลหรือปุคละบโรโอบรันยุตารู้จักความยิ่งและหย่อนแห่งบุคคลสองข้อต้นนี้สําคัญที่สุดที่เราแปลกันว่ารู้จักเหตุรู้จักผลอันนี้เป็นการแปลอย่างง่ายๆความจริงนั้นหมายถึงการรู้หลักการหลักการ ก็ไปสัมพันธ์กับผลในแง่ที่เป็นจุดหมายนผลนี่ก็คือจุดหมายที่เราต้องการถือหลักการก็เป็นเหตุที่จะให้บรรลุจุดหมายที่เป็นผลหลักการที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายหรือให้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายข้อที่หนึ่งเรียกว่าทมันยุตตาถ้าแปลให้ตรงแท้ก็เรียกว่ารู้หลักการแล้วก็สองอัฐยุตตารู้จัก ความมุ่งหมายหรือรู้รรจุดหมายสองข้อเนี้ยสำคัญเป็นแกนเลยแล้ว ต, ต่อจากนั้นก็มาประกอบอีกห้าข้อรู้หลักการรู้ว่าหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานหน้าที่หรือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงอย่างท่านยกตัวอย่างเลยแล้วกทธรเจ้าจัดเอง อย่างเป็นผู้ปกครองประเทศก็รู้หลักการปกครองอันนี้เรียกว่าธรรมัญญุตารู้ว่าการปกครองนั้นจะต้องทาอะไรบ้าง<อ>หลักการนั้นโดยปกติจะพูดถึงสิ่งที่ต้องทำเพราะนั้ น, ะนเราจึงแปลารู้จักเหตุหลักการที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายก็เลยกลายเป็นเรื่องของการรู้จักหน้าที่เป็นต้นในเรื่องหลักการนี้ก็จะโยงมาหาเรื่องหน้าที่ เราจะทำอะไรเราจะต้องรู้หลักการของงานนั้นเร ต, ต้องรู้หน้าที่ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพราะนั้นบุคคลที่จะเป็นสับปรุตได้ไปอยู่ในงานอะไรมีหน้าที่อะไรต้องรู้ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรหลักการของงานของตนคืออะไรเช่นหลักการของวิชาชีพเป็นแพทย์มีหลักการเขาวิชาชีพแพทย์อย่างไรแล้วก็มีหน้าแพทย์มีหน้าที่อย่างไรพวกเนี้ยอยู่ในข้อที่หนึ่งเรียกว่าทำมัญุตตา แล้วก็ไปสัมพันธ์กับสองแน่นอนว่าที่เรามีหลักการนี้เรามีหน้าที่ก็เพื่อให้บรรลุจุดหมายอะไรบางอย่างคือบรรลุผลบางอย่างผลนั้นก็เป็นจุดหมายของเรานั้นหลักการจึงสัมพันธ์กันในะ เ, เรื่องจุดหมายสองอย่างนี้ต้องมาด้วยกันในกรณีของผู้ปกครองนี่พระพุทธเจ้ามักจะย้ายข้อสองมาไปข้อหนึ่งอธิฐานยุติธรู้จัก รู้จุดหมายนี่มาเป็นคนหนึ่งจะปกครองก็ต้องรู้จุดหมายการปกครองปกครองเพื่ออะไรปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรอย่างนี้เป็นตนน้นเพื่อช่วยจัดสรรโอกาสให้ประชาชนแต่ละคนได้พัฒนาชีวิตของตนเองไปสู่ความดีงามความสุขอะไนะกาปกครองก็ต้องรู้จุดหมายหรือจุดหมายเป็นเป้าหมายแคบเข้ามาแต่ระยะเวลานี้ ประเทศชาติปัญหาอย่างนี้จุดหมายต้องแก่นี้แล้วก็มุ่งมั่นในจุดหมายนี้จากจุดหมายนั้นก็มาดูที่ตัวเหตุคือหลักการว่าหลักการอะไรที่จะนำไปสู่จุดหมายนั้นแล้วปฏิบัติถ้าหลักการไม่มีจุดหมายยึดถือแต่หลักการก็เป็นหลักการที่อาจจะเลื่อนลอยถ้าจุดหมายขาดหลักการก็เพ้อฝันเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน เรานั้นต้องระวังเราไม่ควรจะพูดเฉพาะหลักการ <Yeah. S 1> อย่างที่ว่าแล้วบางทีเอาหลักการหลักการแต่เสร็จแล้วมันเลื่อนลอยไปไปมาๆนานๆเข้าไม่รู้ว่าหลักการนั้นจะให้บรรลุผลที่ต้องการหรือเปล่า <Yeah. S 1> หรือเป็นการยึดไปตามรูปแบบเท่านั้นเองต้องคู่กันสองข้อทำมัญญาตาทันยุต า, ตารู้หลักการและรู้ความมุ่งหมายแล้วจุดหมายนั่นจะเป็นตัวที่ทาให้ ทิศทางของการทำงานนั้นชัดเจนแล้วมีพลังเมื่อคนมีจุดหมายแน่วแน่ในจุดหมายแล้วพลังก็เกิดขึ้นแล้วหลักการก็จะมาเป็นตัวสนองว่าเราจะต้องทำอะไรตามหลักการนั้นเพื่อบรรลุจุดหมาย <Yeah. S 1> ก็ขอย้ำอย่างที่กล่าวแล้วว่าหลักการไม่มีจุดหมายก็เลื่อนลอยจุดหมายไม่มีหลักการก็เพ้อฝันเพราะนั้นสองอย่างต้องไปได้วยกัน นี้ได้ธรรมยุตตาธรรมยุตตามาเป็นแกนแล้ทีนี้ก็ต่อไปก็อัตตยุติารู้จักต้นรู้กําลังความสามารถสถานะของตนเองเป็นต้นว่าเราเป็นใครมีกําลังมีความสามารถเท่าไหร่จุดหมายข้อ น, นี้ก็คือเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาตนให้ทําได้ผลเพราะเราจะปฏิบัติตามหลักการนั้นได้เราจะก้าวไปสู่จุดหมายได้เนี่ย มันต้องอาศัยกําลังความสามารถของเราที่เราจะทําำถ้าเรามีกําลังมีความสามารถเท่าไรถ้าไม่มีความสามารถหรือขาดอะไรด้านไหนด้านไหนต้องพัฒนาต้องปรับปรุงตนนะอันนั้นจุดหมายสําคัญของการรู้จักตนนี่ก็เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงได้ถูกต้องและได้ปฏิบัติได้ดีวางตัวเป็นต้นได้ถูกต้องความหมายก็กว้างไปหมดแหละอัตารย์ยตาก็รู้จักตนรู้จักตัวเอง ต่อไปก็รู้จักประมาณรู้จักความพอดีความพอดีนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเกินดีก็กลายเป็นไม่ดีไปทำดีไม่ถึงที่ก็บกพร่องไม่สำเร็จผลอีกบอกฉันทำดีฉันทำดีฉันบอกว่าดูเหตุปัจจัยที่ทำในการทำความดีนั้นมาครบหรือเปล่าถ้าว่าเหตุปัจจัยนั้นไม่ครบผลมันไม่เกิด เราจะไปเรียกร้องว่าทําดีทดําดีมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาทีนี้แม้แต่ความดีของบุคคลเนี่ยดีพอในเหตุปัจจัยของเขาแต่เหตุปัจจัยฝ่ายสังคมไม่เอือ้อบางทีก็ไม่เกิดผลเหมือนกันผลก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยก็เป็นตัวหลักใหญ่ที่จะต้องมาตัดสินถ้าเราเหตุปัจจัยฝ่ายตัวเรามันพร้อมดีเออเราก็สบายใจมั่นใจไปขั้นหนึ่งทีนี้ก็ต้องดูเหตุปัจจัยทางสังคมว่าเอื้อไหม แล้วก็ต้องปรับเหตุปัจจัยฝ่ายสังคมให้มารับกันด้วยไม่ใช่ว่าเราดีอย่างเดียวแล้วมันจะสำเร็จ <Yeah. S 1> ก็เรียนรวมแล้วก็คือว่าต้องเหตุปัจจัยพร้อมต้องทำเหตุปัจจัยให้สำเร็จ <Yeah. S 1> ก็ทาให้เราจะต้องพัฒนาปัญญาของเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษา <Yeah. S 1> แล้วก็พอได้รู้เข้าใจแล้วปฏิบัติได้ครบเหตุปัจจัยนั้นมันจะเกิดความพอดีถึงจุดที่จะทาให้เกิดผลที่ต้องการ ที่เป็นจุดหมายแต่รวมความก็เรื่องมัตตัญญุตานี่ใช้กับทุกเรื่องแม้แต่นอนยังต้องบอกว่านอนให้พอดีมัตตัญญุตารู้จักประมาณหมดรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารให้พอดีนะรับประทานน้อยไปก็ร่างกายก็ทุดโทมรับประทานมากไปก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยอันตรายต่อร่างกายความรู้จักประมาณท่านบอกว่ามัตัญญุตาสทาสาธุ ความรู้จักพอดีนี่ให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมือ่อต่อไปก็รู้จักการรู้จักการเวลารู้จักเวลาเราก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกับการะละแล้วข้อเทศะก็จะมาต่อไปการปฏิบัติให้การให้ถูกการนี่ก็สำคัญเท่นั้นแหละอย่างธุรกิจการงานเราทำให้ถูกจังหวะไม่ถูกการเวลา ก็พลาดแม้แต่พูดพูดไม่ถูกเวลาพูดไม่ผิดเวลาก็เกิดปัญหาขึ้นมานั่นคาอะไรนี้ต้องรู้จักกาละทางนั้นนี่ก็อย่างคนที่มีปัญญาจะทำงานอะไรสักอย่างจะให้สาเร็จบางทีเขาต้องรอเวลาเหมือนกันรอเวลาที่เหมาะหรือว่าจัดทำนั้นทำเหตุปัจจัยให้มัน ตรงเวลาที่จะให้เวลานั้นมันเหมาะกับเราให้ได้ก็รวมแล้วก็เรียกว่าเหมาะเวลาก็ขอข้ามต่อไปว่ารู้จักการแล้วก็รู้จักชุมชนรู้จักชุมชนรู้จักชุมนุมรู้จักที่ประชุมอย่างแคบๆก็คือที่ประชุมอย่างที่ประชุมนี้เป็นที่ประชุมสำหรับพิจารณาเรื่องอะไร กำลังทําหน้าที่อะไรเนี่ยมีบุคคลประเภทไหนบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะาเช่นการจะพูดเจรจาการจะนําข้อคิดแนวทางอะไรต่างๆเข้ามาให้เหมาะกับที่ประชุมนี้จะให้ได้ผลรวมไปถึงชุมชนต่างๆเราไปทํางานในชุมชนก็ต้องรู้จักชุมชนต้องศึกษาชุมชนให้ดีรู้จักวัฒนธรรมประเพณีของเขา เขาเชื่อถือนับถืออย่างไรถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกก็ทำให้งานของเรานี้เสื่อมเสียไม่ได้ผลไปด้วยนั้นเรื่องใหญ่มากรู้จักชุมชนนี่ผู้ที่ทำงานก็ส่วนรวมแล้วก็ไปอยู่ในถิ่นที่ตัวไม่เองต้องไม่คุ้นก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจชุมชนให้ดีก็ขอผ่านไปก็ข้อสุดท้ายก็รู้จักบุคคลรู้จักบุคคลก็รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลคือคนในโลกนี้ ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าไม่มีเหมือนกันเลยแต่ละคนก็มีอินทรีย์ทางพระเทเรียกว่าอินทรีย์แ ก, ก่กล้าบาั้งอ่อนบ้างไม่เท่ากันมีความดีความชั่วไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันมีความขยันหมั่นเพียรไม่เท่ากันมีความเชื่อมัน่นอะไรต่างๆไม่เหมือนกันมีแนวโน้มความสนใจพื้นเพพภูมิหลังอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเวลาเราจะเกี่ยวข้องปฏิบตัติต่อบุคคลการ ที่จะเอามาใช้งานคบหาอะไรต่างๆเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเลือกคนให้เป็นอย่างที่ท่านเรียกว่ารู้จักเลือกคนมาใช้งานก็เป็นเรื่องใหญ่มากรู้จักบุคคลเนี่ยแม้แต่ว่าเพียงว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาคบหาคนไม่เป็นก็พลาดเพื่อนก็เลยพาชีวิตไปสู่ความตกตำ่ำถ้ารู้จักเลือกคบได้คบคนดี ก็พาให้ชีวิตนี้เจริญรุ่งเรือ ง, งขึ้นเช่นชักพาชวนกันไปทำสิ่งที่ดีงามชวนกันไปศึกษาหาความรู้ถ้าไปคบคนไม่ดีก็ชวนไปติดยาเสพติดบ้างชวนไปหมกมุ้นในการพ น, นันชวนไปเล่นไปเที่ยวอย่างเดียวก็มีแต่เสียแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช้คนไม่เป็นเลือกคนไม่ถูก ทำให้งานเสียอีกงานไม่ได้ผลไม่เดินหน้าก็รู้จักบุคคลก็เป็นเรื่องใหญ่แม้แต่ครูอาจารย์สอนไม่รู้จักความแตกต่างรอบบุคคลก็สอนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเรื่องรู้จักบุคคลหรือรู้จักความยิ่งหย่ใ้บุคคลทั้งความต่างโดยระดับการพัฒนาที่เธอเรียกว่าอินทรีย์แกกอ่อนต่างกันทั้งในแนวราบก็คือความแตกต่างโดยแนวโน้มความสนใจเป็นต้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแต่และเรื่องนี้เป็นข้อสําคัญทั้งนั้นเลยเจ็ดประการเนี้เรียกว่าเป็นสัพพุริสธรรมคนที่จะเป็นคนดีในพุทธศาสนาเนี่ยให้มีคุณธรรมเจ็ดประการนี้ก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่ารู้จักรู้หลักการรู้จุดหมายแล้วก็รู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล ถ้าหากว่าในสภามีสั บ, บุรุษคือคนที่มีคุณธรรมที่เรียกว่าสับริสธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาแท mm ้ hmm. แต่อย่างที่ว่าท่านบอกว่าถ้าที่ใดไม่มีสัต บ, บุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาแต่ว่าสับริสธรรมหรือคุณธรรมของสัต บ, บุรุษเนี่ยยังมีอีกหมวดอื่นอีกนะอาตมาจะยกตัวอย่างเวลาหมดไปนานแล้วก็ขอยกตัวอย่างเพรให้ได้ยินหัวข้อ เช่นอีกบทหนึ่งมีสับริษธรรมแปดมีแปดลอข้อเลยเมื่อกี้นเจ็เท่านั้นนะคราวนี้แปดสับริธรรมแปดคุณสมบัติของสัพ บ, บุรุษหรือบัณฑิตหรืออริยชนแปดประการหนึ่งประกอบด้วยคุณธรรมสำคัญเจ็ดประการอันนี้แค่ข้อหนึ่งก็แยกย่อยเป็นเจ็ดแล้วในแปดข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยแยกย่อยเป็นเจ็ด ทีนี้คุณธรรมสาคัญที่เรก็สัตย์ธรรมเจ็ดประการมีอะไรบ้างก็หนึ่งมีศรัทธาออย่างน้อยเชื่อในความดีถ้าคนไม่เชื่อในความดีจะแล้วแย่แล้วนะไม่มีหลักแล้วเชื่อในความดีเชื่อในการการะทําความดีเชื่อในจุดหมายของการงานของตนทํางานอะไร เราทำหน้าที่อะไรจุดหมายของการงานนั้นเรามีความเชื่อมีศรัทธาก็ทำให้มีพลังขึ้นมานี่อย่างชาวพุทธเชื่อในพระเจนตัตใจก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อที่จะสอนที่คำสอนพระองค์และเชื่อจะปฏิบัติตามพระองค์เชื่อในธรรมะนีะ่เชื่อในการที่จะได้มาบารุงชนุบารุงชุมชนที่เรียกว่าสังขารเจริญ ง, งอกงาม เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สุขแก่สังคมอะไรจริงจังก็มีศรัทธาแล้วก็มีฮิริความละอายต่อความชั่วมีโอตรปะปาความเกรงกลัวต่อความชั่วแล้วก็มีสุตะมีความรู้มีความรู้ได้เล่าเรียนสดับมากหรือเป็นผู้ที่ถ้าให้ดีเรียกว่าคงแก่เรียนแล้วก็มีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่คนเกียจคร้าน แล้วก็มีสติแล้วก็มีปัญญาเจ็ดข้อนี้เรียกว่าเป็นสัตถธรรมเจ็ดประการอยู่ในข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองบอกว่าสับปริสภัตตีแปล ว, ว่าคบสัตบุรุษคบคนดีนะคบคนดีต่อไปข้อสามก็เป็นสัพปริสจจินตีคิดอย่างคนดี คิดอย่างคนดีเช่นคิดในทางไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นตั้งใจจะทําสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าคิดเป็นทางสัตว์บุรุษนอกเดีนี้ก็ขยายเอาแล้ยว่าคิดก็คิดอย่างสัตว์บุรุษแล้วก็ต่อไปสัพพุริสัมมันตีปรึกษาจะปรึกษาอะไรก็ปรึกษาอย่างคนดีปรึกษาอย่างสัตว์บุรุษใช่ว่าไม่ปรึกษากันในการที่จะไปเบียดเบียนใคร แต่ปรึกษากันในทางที่จะทำประโยชน์และสับุริสสวาโจทีนี้เปลี่ยนแล้วแปลว่าพูดก็พูดอย่างสัตบุรุษพูดอย่างคนดีสัพปริสกะตัมมันโตทำก็ทำอย่างคนดีต่อไปก็สัพุริสสทิฐีมีทิฐิมีความเชื่อมีการยึดถือในหลักการของสัตบุรุษของคนดีอีก แล้วก huh. ็ไปลงท้ายว่าให้ก็ให้อย่างสัพบุรุษอีกแม้แต่การให้ถ้าให้ไม่เป็นเขาเรียกว่าให้อย่างสัตบุรุษนให้อย่างสัตบุรุษเช่ว่าก็ถ้ากระจาอีกสัพปริสถานให้อย่างสัพบุรุษเนี่ยมีเจ็ดประการอีกนะจะให้ของสะอาดให้ของสะอาดในทางวัตถุก็เป็นของสะอาดถ้าเป็นนามธรรมก็หมายความว่าของนั้นได้มาโดยวิธีสะอาดนให้ของสะอาดให้ของประณีตให้ของ ที่สมควร เ, เหมาะสมที่เขาจะใช้ได้เตือนว่าเวลา<ม>ให้ใหโดยใต่ตองพิจารณาไม่ใช่สักแต่ว่าให้ให้โดโมหะลุ่มหลงงมงา ย, ยแล้วก็ให้โดยที่ว่าจิตใจผ่องใสให้แล้วเบิกบานใจที่จริงมีหลายข้อตอนนี้โดนเร่งแล้วก็เลยเข้าใจไม่ครบเจ็ดข้อละ เ, เอาไว้เติมกันทีหลังก็แล้วกัน ไม่รู้ว่าสัปเหริอจะทำแปดนี้ครบหรือเปล่าในซ้ําเนี่ยก็เอาเป็นว่าให้รู้ว่าหลักคุณสมบัติของสัตว์บุรุษเนี่ยมีหลายอย่างซึ่งเราจะต้องพยายามทําคนเนี่ยหรือพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้สังคมที่ดีแม้แต่สภาก็จะเป็นสภาที่สมชื่อสภาเป็นต้นนี่ก็เป็นหลักการที่เราจะต้องมาช่วยกันเจะอย่างที่ว่ารวมแล้วก็คือว่า ให้คนในสังคมเนี่ยอย่าชังทำเลยถ้าชังทำแล้วก็เป็นเครื่องหมายคนเสื่อมแน่นอนเวลานี้เราไม่กล้าอายที่จะพูดถึงธรรมะแสดงและสังคมกาลังอยู่ในสภาพนี้แล้วใช่หรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องหันมาเป็นธรรมกาโมผวังโหติผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญให้ได้ก็ขอโนโมธนาก็คิดว่าท่านอาจารย์ป่วยท่านก็ได้ประพฤติเป็นตัวอย่างแล้วนี่ที่ท่าน ได้ประพฤติปฏิบัติคุณทำต่างๆก็ดีแล้วก็ท่านก็เอามาพูดมาเขียนมาชักชวนคนอื่นนี้แสดงว่าท่านต้องรักธรรมนะถ้าเราชวนกันรักธรรมกันทุกคนแล้วก็จะเป็นคนเจริญแต่สังคมก็เป็นสังคมที่เจริญด้วยมีความสุขความงอกงามร่มเย็นสืบต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านก็วันเกิดก็เป็นวันที่ดี แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วเป็นวันมงคลเราก็มาทําดีด้วยการที่ว่าทําใจให้มีความผ่องใสเบิกบานเป็นจิตใจที่ดีด้วยการรักธรรมคนที่ใจรักธรรมรักความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นจิตใจที่ดีแล้วแล้วก็พอเราได้ทําความดีแล้วก็มีความอิ่มใจมีความสุข น, นอกจากว่านึกถึงอาจารย์ป่วยแล้วลึกถึงท่านแล้วเราก็ทําใจของเราให้ดีอย่างที่กล่าวมาด้วยก็ขอโนโมทนา แล้วก็ขออวยชัยให้พรขออนุภาพบุญกุศลคือความดีที่ทุกคนได้ตั้งใจทําเริ่มด้วยศรัทธาเมตตาความกตัญญูในใจที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ขอให้เกิดผลเป็นความสุขเริ่มตั้งแต่จิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่เอื้อิ่มมีความแช่มชื่นเบิกบานแล้วนามาซึ่งความสุขความเจริญทั้งตนเองและสังคมส่วนรวมสืบไปตลอดกาลทุกเมือ่อเทิน